ทีนี้ถ้าคิดแบบจิตตชรูปจิตตชรูปเริ่มเกิดที่ในครั้งแรกเลยที่ที่ไหนที่ปฐมผวังผวังดวงที่หนึ่งเนะเพราะจิตตชรูปเงื่อนไขว่าเกิดเฉพาะที่อุปาทขณะเท่านั้นเกิดเฉพาะที่อุปาทขณะเท่านั้ น, อ, น, นอันนี้ก็คือการเกิดขึ้นของจิตตชรูปทุกๆ อ, อุปาทขณะของจิต เพราะถือว่าอุปาทขณะของจิตมีกําลังมากอันนี้คือจิตแต่ชรูปอาหารชรูปช่วงนี้เนี่ยนะตามหลักฐานท่านถือว่ายังไม่มีขณะแรกๆเลยยังไม่มีคือจะมีต่อเมื่อได้รับสารอาหารเข้าไปจากภายนอกจากมารดาเนี่ยนะทีนี้รูปเนี่ยมันมีอายุว่าอุปาทัศขณะของรูปเนี่ยเท่ากับอุปาทัศขณะของจิตพังค์ขนขณะของรูปมีอายุเท่ากับ พังค่าขณะของจิตทีนี้ทีเหลือถือว่าทีติขณะหมดเลยทีติขณะของรูปเนี่ยนะทำรูปใหม่ขึ้นมาเรียกว่าอุตโชรูปอุตโชรรปกรรมเตโชธาตที่อยู่ตรงนี้นะเตโชธาตที่ในในกายทัศกะภาวะทัศกะและก็กายทัศกะพอถึงทีติขณะสร้างจิตชรูปขึ้นมาอีกแดรูป ก็สร้างมันทุกรูปเนี่ยทีติขณะสร้างรูปสร้างอุตุชรูปหมดเลยทีติขณะก็สร้างอุตุชรูปอย่างนี้รูปตัวนี้เรียกว่ามีชื่อเต็มยศว่ากรรมปัจจะยะอุตุชรูปนะมีชื่อเต็มๆว่าเป็นอุตุชรูปที่เกิดจากรูปที่เกิดจากกรรมเป็นปัจจัยเรียกว่ากรรมปัจจะยอุตุชรูป ทีนี้มาหาจิตตชรูปบางว่าจิตตชรูปพอถึงถีติขณะก็สร้างรูปขึ้นมาอีกเรียกว่าจิตตปัจจยะอุตุชรูปเรียกว่าจิตตปัจยะอุตุชรูปขึ้นมาแล้วก็ทุกๆทีติขณะของจิตตชรูปนะก็เป็นปัจจัยแก่รูปเรียกว่าจิตตปัจยะอุตุชรูปทีนี้มันมีรูปอีกกลุ่มหนึ่งว่าอุตุชรูปนี้พอถึงถีติขณะนั้นมันจะสร้างรูปขึ้นมาอีกแปดรูปเรียกว่า อุตปัจยอุตุชรูปแล้วก็พออาหารเข้าไปบํารุงพวกนี้เมื่อไหร่อาหารเข้าไปบํารุงเมื่อไหร่ก็มีอักอาหารชรูปก็เกิดท่านถือว่าเกิดทุกอนุขณะจิตเหมือนกันอาหารเนี่ยต้องไปบํารุงรูปทุกอนุขณาจิตอาหารชรูปเหล่านี้พอถึงถีติขณะปั๊บ ก, ก็สร้างรูปขึ้นมาอีกเรียกว่าสร้างอุตตุชรูปเรียกว่าอุตุปัจยาอุตตุชรูปเออขอไปอาหารปัจยาอุตุชรูป ก็เลยประกายเป็นว่าหนึ่งนมีกรรมชะรูปจิตตชรูปอุตุชรูปอาหารชรูปแล้วอุตุที่เกิดจากกรรมเรียกว่ากรรมปัจจยอุตุชะรูปอุตุที่เกิดจากจิตตปัจจยอุตุชรูปอุตุที่เกิดจากอาหารปัจจยอุตุชรูปนะรูปก็เจริญเติบโตอย่างนี้ทีนี้คิดง่ายๆว่าอุตุชรูปมันมากอย่างนี้แหละพ่อตายปั๊บซากก็เหลือเท่าเดิม ซากที่เหลือนี่คืออะไรอุตูชรูปอย่างเดียวเพราะจิตตชรูปอุตูชรูปอาหารชรูปเนี่ยดับพร้อมกับจิตหมดเลยดับพร้อมกับจิตหมดไอ้ที่เหลือนี่เหลือเฉพาะอุตูชรูปอย่างเดียวอันนี้ก็ทําความเข้าใจในกฎเกณฑ์พวกนี้ว่าเออกฎเกณฑ์เข้าเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันให้รู้ว่าเออมันก็เนี่ยกองทุกนะมันก็เป็นไปอย่างนี้แล้วคือยิ่งเรียนไปมากๆเขาก็บอกว่าไม่เห็นมันมีอะไร ไอ้คําว่าไม่มีอะไรก็คือมันไม่ได้มีสัตวจธรรมบุคคลอะไรอยู่ในนั้นหรอกไม่มีความเที่ยงความยั่งยืนอะไรเลยมันเหมือนกับฟองสบู่นั่นแหละแต่เรียนอย่างนี้มันก็เบาดีอยู่อย่างหนึ่งนะถ้าใส่ชื่อปัจจัยลงไปแล้วมันจะเต็มนั่นไปหมดเลยอันนี้คือวัตถุปุรีชาแต่ปัจจัยนะีถ้าใส่ชื่อปัจจัยแล้วมันเยอะเองถ้าเทวดานะข้อพิเศษหนึ่งถ้ามนุษย์ขณะอุปปติสนธิการเกิดรูปอยู่สามสามกลุ่มใช่ไหม ถ้าพวกเทวดาก็เพิ่มเกิดมาทีเดียวเจ็ดเจ็ดกลุ่มอันนี้พูดถึงพวกสมบูรณ์แบบอะนะหมายถึงว่าบุญนําเกิดสมบูรณ์ถ้าพวกบาปนําเกิดบาปไปตัดบ้างละ่ะพิการตาบ้างบางพวกก็พิการหูบ้างบางพวกก็พิการจมูกบ้างบางพวกพิการลิ้นบ้างมีไหมพิการตาหูจมูกลิ้นมีไหมมีเด็กในคันนะบางทีไม่มีหัวก็มี เป็นแต่ก้อนก้อนเนื้อเฉยๆที่หัวก็ไม่มีมีตาไม่มีอะไรเลยพวกนี้คลอดก็ตายก็สถิตินี้ก็ไม่ใช่น้อยเลยนะเพียงแต่ว่าเขาไม่ให้เราดูเท่าไหร่นี่นะแต่หนังสือเกี่ยวกับสูตินรีแพทย์จะมีเยอะไปหาดูเอาจะรู้ว่าคนที่เกิดมาได้สมบูรณ์แบบเท่านี้นะหายากมากนะบุญเก่าเยอะมากจึงจะได้ครบถ้วนบริบูรณ์ลักษณะเนี่ยนะแล้วยิ่งมีอายุได้ยืนยาวได้มากขนาดนี้ก็ถือว่าบุญเก่าดีมาก ในบรรดาความเป็นไปของรูปที่เกิดจากกรรมนั้นบันดิตพึงทราบการจำแนกนี้คือหนึ่งกรรมโน้ตไว้หน่อยนะหนึ่งกรรมสองมีกรรมเป็นสมุธฐานสามีกรรมเป็นปัจจัย 4. รูปที่มีจิต zi, อันมีกรรมเป็นปัจจัย er เป็นสมุธฐานหารูปที่มีอาหารอันมีกรรมเป็นปัจจัยเป็นสมุธฐานหรูปที่มีอุตุอันมีกรรมเป็นปัจจัยเป็น สมุทฐานอันนี้เป็นหัวข้อที่จะต้องอธิบายโดยลำดับในการจําแนกนั้นข้อแรกก่อนนะกรรมใช่ไหมข้อหนึ่งคือกรรมหนึ่งกรรมได้แก่อะไรตัวกรรมนะกรรมคืออะไรเจตนาหังพิขเวกรรมมังวะธามิกุสลรเจตนาและอากุสลรเจตนาเชื่อว่ากรรมอันนี้เน้นที่กรรมมะกรรมมะปัจจัยนะที่เป็นนักขะนิกะกรรมมะปัจจัยอ่ะ เจตนากรรมเหล่านี้ก็เป็นเจตนาในอดีตเจตนาในอดีตเหล่านี้เนี่ยนะก็อะไรเป็นประเภทอุปชาเวทนียกรรมกับพวกอภราระเวชนียกรรมนั่นเองสองชื่อว่ามีกรรมเป็นสมุดฐานคือคือเป็นผลของกรรมว่างั้นเถอะผลของกรรมนี่มีทั้งรูปมีทั้งนามใช่ไหมวิบากขันนั้นคือนามขันสีก็เกิดจากกรรม และรูปเจ็ดสิบท่วนคือจกักขุทศกะโสตคานะชิวหากายะภาวะทศกะพวกนี้ก็มีกรรมเป็นปัจจัยหรือมีกรรมเป็นสมุธฐานเกิดจากกรรมสิ่งที่เกิดจากกรรมอ่ะคิดง่ายๆว่าวิบากและกรรมมาเชลุกเนี่ยนะวิบากและกระตัตตารูปคือสิ่งที่เกิดจากกรรมนะตอนแรกนะพูดถึงตัวกรรมข้อที่สองพูดถึงผลของกรรมสาม มีกรรมเป็นปัจจัยอะไรเอ่ยมีกรรมเป็นปัจจัยก็คือวิบากขันทั้งหลายและรูปเจ็ดสิบทวนนั่นแหละมีกรรมเป็นปัจจัยเพราะว่ากรรมย่อมเป็นอุปธรรมภะกะปัจจัยแก่แก่ธรรมะที่มีกรรมเป็นสมุทฐานด้วยอันนแกเขาแก้ให้ไปแล้วใช่หมอันนั้นเขาแก้ให้ก็ดีแล้ะอันนี้หมายถึงกรรมนี้ไปอุปธรรมอุปธรรมรูป กรรมที่ไปอุปธรรมรูปคือคําว่ามีกรรมเป็นปัจจัยเนี่ยได้แก่กรรมที่ไปอุปธรรมนามและรูปโดยอุปธรรมภระกกรรม嘛นะหรือบางอันนี้เฉพาะอุปธรมภระกกรรมคิดง่ายๆอย่างนี้ว่าข้อที่2ออ่าข้อแรกข้อ1ที่ว่าไปเมื่อกี้คือกรรมใช่ไหมคือนานักข่าที่กกกรรมข้อ2ผลของนานักข่าที่กกกรรมข้อ3อุปธรรมภระกกรรม ผลของอุปธัมภกะกรรมข้อสี่อนะข้อสี่เริ่มซับซ้อนไปนิดหน่อยชื่อว่ารูปที่มีจิตอันมีกรรมเป็นปัจจัยเป็นสมุทฐานเนี่ยนะได้แก่รูปที่มีวิบากจิตเป็นสมุทฐานนะรูปที่มีจิตอันมีกรรมเป็นปัจจัยเป็นสมุทฐานคือรูปที่มีวิบากจิตเป็นสมุทฐานหมายความว่าวิบากจิตนี้ก็ทำจิตตชรูปใช่ไหมวังคจิต ดวงที่หนึ่งทำจิตตชรูปไหมทําดวงที่สองดวงที่สามเป็นต้นก็ทําจิตตชรูปเพราะว่าผวังขจิตทําจิตตชรูปเนี่ยพวกผวังขจิตทําจิตตชรูปนี่แหละเรียกว่ารูปที่มีจิตอันมีกรรมเป็นปัจจัยผวังคจิตนี้เกิดจากกรรมเป็นปัจจัยใช่ไหมจิตตัวนั้นก็ทําให้รูปเกิดขึ้นก็ข้อสี่นะย่อๆว่าจิตตชรูปที่อะไรนะจิตตชรูปที่เกิดจากวิบากจิต จิตตชรูปที่เกิดจากวิบากจิตนั่นเองข้อหชื่อว่ารูปที่มีอาหารอันมีกรรมเป็นปัจจัยเป็นสมุทฐานความว่าโอชาที่ถึงถีติขณะตั้งอยู่ในรูปเนี่ยนะโอชาอันมีกรรมเป็นสมุทฐานทั้งหลายย่อมทํากลุ่มรูปอันมีโอชาเป็นที่แปดกลมอื่นให้ตั้งขึ้นโอชาแม้ในกลุ่มนั้นซึ่งถึงความตั้งอยู่ก็ย่อมทํา กล่มอันมีโอชาเป็นที่8กลุ่มอื่นให้ตั้งขึ้นย่อมสืบต่อความเป็นไป4ี่หรือห้าวรระโดยนยะดังกล่าวมาชนนี้เดี๋ยวเขียนอีกสักหน่อยหนึ่งสรปว่าตอนแรกคือ1 น, นะข้อ1คืออะไรนะรรมได้แก่เจตนาทั้งกุศลเจตนาและอกุศลเจตนาข้อ2 อ, อะไรก็แบ่งเป็นว่าข้อสองนะแบ่งเป็นยังี้ว่า1 กรร ม, มสมุตฐานคือวิบากจิตและเจตสิกเนี่ยนะและก็อะไรกรรมมชรูปอันนี้ข้อข้ออันนี้ข้อหนึ่งนะนีออ่ข้อ2ข้อสข้อสมคืออะไรอุปธรรมภกกรรมอัน น, นอุปธรรมภกกรรมแก่วิบากกับกรร ม, มชรูปข้อสข้อสคืออะไรข้อสคือเนี่ยวิบากจิตกับเจตสิกพวกนี้นะ มันทําจิตตชรูปอันนี้คือข้อสี่ข้อห้าข้อห้าอ่านให้ฟังข้อห้าเนี่ยเป็นอย่างนี้ว่าเนี่ยเรามาแบ่งนะว่าในกรรมชรูปมีรูปอยู่สิบรูปใช่หมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบในกลุ่มหนึ่งกลุ่มเนี่ยมีรูปอยู่สิบรูปใช่ในกรรมชรูปไหมีรูปอยู่สิบรูปในรูปสิบรูปในนี้มีอาหารชรูปใช่ไหม อาหารชรูปมีอยู่ด้วยใช่ไหมเพราะมีอะไรปฐวีอปตเตโชวายโยสีกลิ่นรสโอชาชีวิตและเช่นหัตยะเป็นต้นในนี้มีอาหารชรูปอยู่ด้วยอาหารชรูปเหล่านี้เมื่อถึงถีติขณะเกิดมาเนี่ยสหรับอาหารชรูปก็มีอายุยืนไปอย่างนี้ใช่ไหมพอถึงถีติขณะเขาก็สร้างอาวินิโพลครูปขึ้นอีกแปดรูปสร้างอาวินิโผครูปอีกแปดรูปขึ้นมา อันนี้เป็นลักษณะของข้อห้านะแล้วเขาสร้างสืบต่ออย่างนี้สร้างเท่าไรประมาณเท่าไรกี่ทอดสี่หรือห้าทอดเนี่ยอาหารที่อยู่ตรงนี้อีกก็สร้างสร้างกลุ่มรูปขึ้นมาใหม่อีกแล้วอาหารที่อยู่ตรงนี้ก็สร้างกลุ่มรูปใหม่ขึ้นไปอีกทอดที่หนึ่งสองสามก็สร้างอย่างเงี้ยสี่ห้าทอดไปอาหารชรูปนะก็สร้างเนี่ยจากการรมกรรมชนะ มาถึงอาหารชโ่รูปอาหารชั่รูปเป็นปัจจัยแก่อาหารอาหารอาหารเป็นสืบเนื่องกันไปอย่างนี้ส่วนข้อหว่าไงก็อหบอกว่าชื่อว่ารูปที่มีอุตุอันมีกรรมเป็นปัจจัยเป็นสมุทฐานความว่าเตโชธาตอันเกิดจากกรรมซึ่งถึงความตั้งอยู่คือถิติขณะย่อมทํากลุ่มรูปอันมีโอชาเป็นที่แปดซึ่งมีอุตุเป็นสมุทฐานให้ตั้งขึ้นอุตุแมในรูปนั้น ก็ทํารูปอันมีโอชาเป็นที่แดกลุ่มอื่นให้ตั้งขึ้นย่อมสืบต่อความเป็นไปสี่หรือห้าวรรโดยนยะดังกล่าวมาชนีอันนี้หมายความว่าในในกรรมมชรูปนี้มีอะไรอยู่ด้วยอันนี้ข้อหใช่ไหมนนข้อ6คือมันมีเตโชในเนี้ยปฐวีอาโปเตโชไอเตโชที่อยู่ในกรรมมชรูปนะก็มีอายุใหม่พอถึงถีติขณะมันก็สร้างรูปมาใหม่ สร้างอาวินิพกครูปแปดมีอายุต่อไปนี้อวิเตโชธาตในะอวินิพกครูปแปดเนี่ยมันก็สร้างรูปคปกลุ่มใหม่ขึ้นมาอีกพอพอพอถึงทีติขนาดมันก็สร้างเตโชขึ้นมาอีกเตโชก็สร้างรูปไปขึ้นมาอย่างนี้เองก็อย่างนี้ก่อตัวกันขึ้นนะไม่งั้นมันก่อตัวกันไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างขนาดนี้อันนี้ต้นต้นกําเนิดมาจากกรรมชรูปอย่างเดียวนะแปลมาเป็นอาหารชรูปไป แล้วก็เตโชนนี่ก็แปลไปเป็นกลุ่มอุตุชรูปเนี่ยนะแตกเป็นกลุ่มอาหารชรูปแตกไปกลุ่มเป็นอุตุชรูปโอ้กรรมนี่มันสร้างวัตตาได้ให้มันโอยมันเหนียวแน่นมากนะไม่ยอมให้เลิกง่ายๆหรอกก็ที่พระองค์อุปมาว่าเอา่อมหาพูดเป็นเหมือนอสารพิษใช่ไหมกรรมเหมือนพระราชาพระราชาบอกแกนะ่ะนักโทษนะเลวมากเพราะฉะนั้นเอางี้ก็แล้วกันชัน สั่งลงโทษแกแกไปเลี้ยงอสรพิษสีตัวไปนัมันก็เลยอสสรพิษนี้ไม่ใช่ว่าจะจะเลี้ยงเข้าง่ายๆใช่ไหมเขาเกาะติดแน่นหมดนะขาถามพระอาจารย์ค่ว่าแล้วอย่างนี้ความหมายคือคนที่ะสะสมกรรมที่มีอุตตชรูปที่ไม่ค่อยดีความหมายก็คือยังไงมันก็แล้วแต่มันก็เปลีป่ยนแปลงไม่ได้อย่างเช่นคนที่อ้วนก็เพราะว่าอุตตชรูปไม่ค่อยดีถึงอ้วนป่องเลย ใช่ไหมคะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะอ้วนนี่ก็สมุธฐานหลายหลายปัจจัยด้วยกันเนี่ยน ะ, ะบางคนเนี่ยอ้วนที่เกิดจากอาหารเป็นปัจจัยเพวกนี้ก็ทําอะไรมากไม่ค่ยได้เออขอไปพวกนี้ลดอาหารซะความอ้วนมันก็ลดลงอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยอ้วนเพราะกรรมเป็นปัจจัยเช่นในอดีตชาติด่าคนอื่นไว้เยอะเวลาด่านะขอให้เธอหุนดีนะชาติหน้าด่าตุ่มมีช้างอะไรทั้งหลายเลยใช่ไหม มันเกิดมาชาติหลังก็เลยตัวก็ไม่รู้กินอะไรนิดๆหน่อยๆมันก็อ้วนเอาอ้วนเอาเนี่ยนะบางคนเนี่ยที่อ้วนนี่ไม่ใช่เท้าทานอะไรมากนะแต่ไม่รู้เป็นยังไงทานอะไรเข้าไปก็อ้วนเอาอ้วนเอาเนี่ยกลุมเนี่ย ม, มีไปรักษาอุโบสถ ด, ดีที่สุดไ อ, อย้ยางงี้ก็มีก็ไม่รู้จะว่าไงเนี่ยนะมันก็อ้วนเอาอ้วนเอาเพราะมีกรรมเป็นปัจจัยแลมีกรรมเป็นปัจจัยจะไปแก้ยังไงอ่ะไปผ่าตัดหรือเกิดใหม่ อันนี้ชุดที่หนึ่งะเกี่ยวกับเรื่องกรรมใช่ไหมทวนอีกครั้งหนึ่งนะในในหัวห้าหัวข้อเนี่ยการพิจารณาการเกิดขึ้นของกรรมมชรูปเขาแบ่งตัวอย่างนี้ข้อแรกคือข้อแรกคือกรรมข้อแรกกรรมข้อที่สองวิบากจิตและเจตสิกที่เกิดจากกรรมคือกรรมมชรูปก็เกิดจากกรรมข้อสามวิบากกรรมและกรรมชรูปเหล่านี้ต้องอาศัยอุปถรมภกกรรมข้อ4ี่ ข้อ4อะไรข้อสเนี่ยวิบากจิตก็ทําจิตตชรูปไปเนี่ยนะก็ทําจิตตชรูปไปข้อห้าอาหารที่อยู่ในกรร ม, มชรูปสร้างอาวินิโภครูปเรื่อยๆสี่ห้าทอดข้อหอุตุชรูปที่อยู่ในกรร ม, มชรูปก็สร้างอุตตรรูปไปเรื่อยๆอันนี้มีอยู่หข้ออันนี้คือความเกิดขึ้นของเกี่ยวกับกรร ม, มชรูปนี้เป็นไปอย่างนี้ มันก็มันโลกเนี้ยไม่รู้จะไปแต่งสรีระให้เกิดมาได้สวยสดงดงามได้อย่างไรอ่ะนะเพราะว่าหลายๆเรื่องมันโยนให้กรรมในอดีตอย่างเงี้ยไม่รู้จะมาแต่งยังไงพอมานึกไปออกมว่าจะแต่งให้สมมติถ้าเราเกิดอยากงามขึ้นมาไปแต่งยังไงให้มันงามนึกนึกไม่ออกเลยนั่นต้องไปล้อมใหม่เจริญเมตตาไว้ให้มากๆกันแล้วค่อยว่าอีกทีอันนี้ชุดที่หนึ่งะกรรมัชรูปผ่านไปเกี่ยวกับเรื่องกรรมัชรูปชุดที่สอง ชุดที่สองแบ่งเป็นอะไรบรรดารูปที่เกิดจากจิตทั้งหลายพึงทราบการจําแนกนี้คือ 1. จิตสองมีจิตเป็นสมุทฐาน 3. รูปที่มีจิตเป็นปัจใจัย 4. รูปที่มีอาหารอันมีจิตเป็นปัจใจัย5เป็นสมุทฐานเออขอโทษนะรูปที่มีอาหารอันมีจิตเป็นปัจใจเป็นสมุทฐานข้อ4ข้อห้า รูปที่มีอุตตุอันมีจิตเป็นปัจจัยเป็นสมุทฐานข้อนี้มีแค่ห้าข้อเองข้อห้าข้อแรกเนี่ยนะก็ข้อที่หนึ่งบอกว่าชื่อว่าจิตจิตนี้มีเท่าไหร่จิตแปดสิบเก้าดวงแปดสิบเก้าดวงก็มาแบ่งอย่างนี้ว่าบัณฑิตเพิ่งทราบว่าจิตสามสิบสองดวงจิตยี่สิบหกดวงจิตสิบเก้าดวงและจิตสิบหกดวงเป็นผู้ทํารูปอิอริยาบถและวิญยัตให้เกิดและไม่ทําให้เกิด ชุดแรกก่อนบอกว่าบรรดา ค, คือว่าจิตฝ่ายกามาวจร32ดวงคือกุศลจิต8อกุศลจิตสิกิริยาจิต10ดวงเว้นมโนธาตุอภิญญาจิตสองดวงฝ่ายกุศลและกิรยิยาย่อมทํารูปอิริยาบดและวิญญาตให้เกิดส่วนจิต26ดวงคือรูปาวจรจิต10ดวงที่เหลือเว้นวิบากจิตอรูปาวจรจิต8ดวง ทั้งโลกุตรจิตอีก8ดวงย่อมทำรูปและอิรยาบทให้เกิดแต่ว่าไม่ทำวิญนยติรูปให้เกิดส่วนจิต19ดวงคือผวังขจิต10ดวงในกามาวจรผวังขจิต5ดวงในรูปาวจรมโนธาตุสดวงอเหตุกะมโนวิญญาณธาตุฝ่ายวิบากอันสหรคต ด, ด้วยโสมนัสหนึ่งดวงย่อมทำรูปเท่านั้นให้เกิดไม่ทำอิรยาบทให้เกิดไม่ทำวิ ญ, ญัติให้เกิดส่วนจิต16ดวงคือ ทวิปัญจวิญญาณจิตสิบปฏิสนที่จิตของสัตว์ทั้งหลายจุติจิตของพระอาหารหันต์ทั้งหลายอารูปวิบากจิตสี่ดวงเหล่านี้เนี่ยไม่ทํารูปให้เกิดไม่ทําอิริยาบถให้เกิดไม่ทําวิญญาตให้เกิดอันหนึ่งในบรรดาจิตเหล่านั้นจิตเหล่าใดทํารูปให้เกิดจิตเหล่านั้นไม่ได้เป็นรูไม่ได้ทํารูปให้เกิดในถีติขณะหรือในพังค ข, ขณะเพราะในคราวทั้งสองขณะนั้น จิตเป็นธรรมชาติอ่อนกําลังคือทีติขณะกับพังคะขณะจิตไม่มีกําลังอะไรเลยส่วนในอุปาทขณะจิตนี้เป็นธรรมชาติมีกําลังเพราะฉะนั้นจิตย่อมอาศัยวัตถุที่เกิดก่อนในคราวนั้นคือในอุปาทขณะนั้นทํารูปให้ตั้งขึ้นเพราะการได้ปัจจัยมีอนันตระปัจจัยเป็นต้นนั่นเองโอ้ข้อหนึ่งของเรื่องของจิตนี้ก็ถือว่าลึกซึ้งใช่ไหมไม่ว่าอะไรยากบอกลึกซึ้งไว้ก่อนนะ ถ้บอกยากยากยากเดี๋ยกวก็ทุกมากใครที่เรียนเรื่องจิตมาดีนี่ก็สบายมากเลยใช่มจริงจริงก็ประชิดหนึ่งสองหกนั่นแหละยมรพง์ไปเรียนมาแล้วนี่นั่งยิ้มเนยเพิ่งสอบผ่านมายกๆยกๆเนี่ยหวังว่าบอกลืมนะครับอย่างน้นไม่พูดคำนี้นะมาศึกษาค่อยๆไล่ดูก่อนนะคือจิตเนี่ยมามีทั้งหมดโดยย่อนะพูดจิตแบบย่อนี่มีแปดสิบเก้าดวงปดสิบเก้าดวงก็มาแบ่งมาชุดที่หนึ่ง กี่ดวงสามสิบสองดวงชุดที่สองยี่สิบหกดวงชุดที่สามสิบเก้าดวงชุดที่สี่สิบหกดวงมีแค่สี่ชุดเองนะถ้ารวมกันแล้วก็จะได้แปดสิบเก้าพอดีทีนี้สามสิบสองดวงมีอะไรบ้างสามสิบสองดวงมีอะไรมหากุศลมอกุแปดมหากุศลแปดอะไรเอง อกุศลสิบสองอะไรเอง<า>กิริยาจิตนะมาหากิริยาอีกแปดหัสตุปาทจิตหนึ่งอะนะมนโนทวาราวชนะจิตอีกหนึ่งแล้วก็อภิญญาจิตอีกหนึ่งอภิญญาอภินยาสองเลหนึ่งอภิญญาจิตสองสิเนาะอภิญญาจิตไม่เว้นอะไรอภิญยาจิตสองก็ถูกแล้วไม่เว้น จิตเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะทำาอะไรได้บ้างทำหนึ่งนะอิริยาบถเขาสามารถทำรูปได้หนึ่งรูปอิริยาบถสองรูปอะไรอีกวินยติรูปสามทำอะไรอีกทารูปอะไรอีกทำอิริยาบถใช่ัหมอิริยาบถต่อไปอีกทำอะไรอีกออสามอะไรใช่ั้ยข้อหนึ่งเป็นรูปแสดงว่าบอกผิดเงี้บอกผิดหรือฟังไม่ทัน สรุปโทษของวัตตะกแล้วกันข้อหนึ่งรูปข้อสองอิริยาบถข้อสาวิญญาตข้อสี่ไม่มีนะนะรูปนี้หมายคมว่าสร้างจิตตชรูปทั้งหมดเนี่ยนะสามารถทำจิตตชรูปจิตตชรูปอะไรบ้างเช่นจิตตชรูปสามัญคือเน้นจิตตชรูปสามัญเช่นทำให้ชีพประจรเต้นหัวใจปั๊มเป็นต้นเนี่ยนะพวกเนี้ย เรียกว่าจิตตชรูปสามันทาให้เลือดไหลเวียนทําให้ร่างกายเป็นไปได้ส่วนอิริยาบทก็คือสามารถยืนเดินนั่งนอนได้ส่วนวิญญัตก็แบ่งเป็นกายวิญญัตและก็วจีวิญญัตเพราะฉะนันจิตดวงใดที่สามารถทําให้วจีวิญญัตถือว่ายิ่งใหญ่มากนนนะทนาะทให้วิญญัตเกิดได้เพราะฉะนั้นพวกอภิน ญ, ญามหากุศลอากุศล กิริยาหาสิตุปาทจิตมนโนทวาราวัจนะจิตเนี่ยถือว่ามีกําลังเก่งที่สุดสามารถทําให้เกิดวิญญัตได้ถือเอาวิญญัตเนี่ยหยาบที่สุดแล้วจิตดวงใดที่ทําให้วิญยัตเกิดถือว่าหยาบมากส่วนจิตยี่สิบหกดวงชุดที่สองนะมีอะไรบ้างรูปาวจระจิตเท่าไหร่กี่ดวงเท่าไห ร, นะร่รรนะ ร, รูปาวจรเท่าไหร่นะรูรูปาวจรสิบ ก็ออรูปาวจรอีก8อันนี้อรูปาวจรตัวนี้หมายถึงอรูปาวจรกุศลกับกิริยาชุดที่สคืออะไรโลกุตระอีก8ครบแล้วใช่ไหมยี่ส่เหล่านี้เนี่ยนะทำวินยัตไม่ได้ไม่สามารถทำวินยัตถ้าดูจากการวางของท่านเนี่ยท่านหักข้อสออกไป แสดงว่าทำได้สองรูปคือสามารถสร้างรูปให้เกิดได้ทำให้อริยาบทเกิดได้แต่ไม่สามารถทำวินยัตได้ก็ตัดออกไปข้อหนึ่งส่วนจิตสิบเก้าดวงจิตสิบเก้าดวงสิบเก้าดวงหลังมีอะไรบ้างภวังขจิตเอกภวังเท่าไหร่ผวังสิบอะไรอีกก็คิดนี่นเล่าให้ฟังง่ายๆอย่างี้ก็คือภวังคจิตสิบเก้านั่นแหละ ใช่ไหมแต่ของมาว่าไม่ถึงหรอกถ้าถ้าบอกว่าภาวังผวังต้องสิบห้าสิภวังเนี่ยสิบห้าเวน้นอรูปวิบากอารูปวิบากอยู่ข้างล่างภาวังสิบห้าแล้วอะไรอีกสี่มโนธาตุสามอะไรอีกนะอเหตุุกะมโนวิญญาณธาตุอะไรอย่างน้ออ๋อโสมนัสสันติรณะนะโสสสันหนึ่งเป็นสรุปเป็นสิบเก้า พวกนี้ทําอะไรได้บ้างทําให้เกิดรูปอย่างเดียวไม่สามารถทําอิริยาบถได้ส่วนจิตที่เหลือจิตที่เหลือคืออะไรทวิปัญจวิญญาณจิตสิบทวิปัญจวิญญาณจิตสิบอะไรอีกอรูปวิบากสอะไรอีกสองอะไรนะมันสิบหมันต้องขาดไปขาดไปสองสิ อ, อ่ะอรูปสี่และอะไรอีกสองคิดง่ายๆบอกว่า วิธีคิดง่ายๆนะตรงนี้บวกพิเศษบอกว่าบวกปฏิสนธิจิตของสัตว์ทุกประเภทปฏิสนธิจิตนับหนึ่งแล้วก็นับอีกหนึ่งคืออะไรจุติจิตของพาหาันจุติจิตของพาธันก็นับหนึ่งปฏิเสบสนธิจิตของสัตว์ในภูมิทั้งปวงก็นับหนึ่งจึงรวมเป็นสิบรูปสิบรนี้จิตส6บหดวงนี้ไม่สามารถสร้างสร้างอะไรนะ ไม่สามารถทํารูปให้เกิดไม่สามารถทําอิริยาบถไม่สามารถทําวิญญาตถ้าวิธีคิดง่ายๆอีกในหนึ่งนะคิดอย่างนี้ว่าไล่จากข้อสุดท้ายไปจิตสิบหกดวงไม่สามารถทํารูปให้เกิดได้คือทวิปัญจวิญญาณจิตเสพบอรูปวิบากสี่ปฏิสนธิจิตของสัตว์ทั้งหมดจุติจิตของพผ้าหาันสิบหกดวงนี้ไม่สามารถทําจิตให้เกิดขึ้นได้เลยอขอไปไม่สามารถทําจิตตะชุบให้เกิดขึ้นได้เลย ส่วนจิต19ดวงคือภวังขจิตของสัตว์15เว้เวนอรูปวิบากนะวังขจิตนะคืออุเบกขาสันติรณะ2มหาวิบาก8รูปาวจรวิบาก5มโนท่าสคือปัญจทวาราวช 1, ัชนะหนึ่งสัมปติชนะสองและโสมนัสสันติรณะเนี่ยทำให้จิตตชรูปเกิดอย่างเดียว ทำให้จิตตะชูปเกิดได้เท่านั้นจิตตะชูปนะไม่สามารถไม่มีความสามารถทําให้อิริยาบทเกิดได้พูดอะไรก็ไม่ได้ซักอย่างนีต่อไปจิตยี่สิบหกดวงคือรูปสิบนี่หมายถึงอะไรรูปราวจรฌานกุศลกับกิริยาสิบดวงรูปราวจรกุศลกิริยาสิบดวงเรียกว่าคิดง่ายๆว่ากุกับกิแล้วก็กุกิก็คือ อรูปราวจรกุศลสอรูปราวจรกิริยาอีกสตรงนี้ต้องเขียนว่าอารูปอรูปกุก็คืออรูปกุศลสอรูปกิริยาอีกสี่รวมเป็น8ดแล้วก็โลกุตระจิตอีก8นนะทำให้รูปเกิดได้ทำอิริยาบทให้ตั้งมั่นได้แต่ไม่สามารถทำวิญยญัตได้ส่วน มหากุศลจิต8ดอกุศลสิบสองมหากิริยาจิตแปดจิตแปดหัสิตุปาทจิตหนึ่งมโนทวารวัชณะจิตหนาาึน่งอภิญญาอีกสองทำทั้งรูปธรรมดาให้เกิดก็ได้ทำอิริยาบถให้เกิดก็ได้ทำทั้งกายวินยัติก็ได้วัจจิวินยัตก็ได้ญญไดอ่าไม่สามารถทำคือเฉพาะอภิญญาที่ทําได้แต่ทั่วทั่วไปทําไม่ได้ทั่วๆวไปทําไม่ได้เช่นว่าเข้าฌานเข้าปฐมฌานแล้วพูดไม่ได้ เข้าทุติยาชานตาติยาชาติจตุตชาพูดไม่ได้แต่พิเศษได้ด้วยอำนาจอภิญยาเช่นเหาะด้วยอำนาจอภิญยาแสดงปาฏิหารพูดให้เสียงดังลั่นสนั่นเมืองไปหมดด้วยอำนาจอภิญญาอย่างนี้ได้เนี่ยนะอันนี้เกี่ยวกับหัวข้อที่หนึ่งใช่หหัวข้อที่หนึ่งพูดถึงจิตทั้งหลายที่นี้จิตเหล่านี้ที่สามาทาให้รูปเกิดขึ้นทำให้อริยาบทเกิดขึ้นทาให้ วินยติรูปเกิดขึ้นเนี่ยนะถ้าแบ่งจิตหนึ่งดวงเนี่ยแบ่งเป็นสามขณะอุปาทัทธติพังคะเนี่ยพังคะเออข้าไปทิฏฐิขณะทำจิตตชรูปไม่ได้พังคะขณะทำจิตตชรูปไม่ได้ทําได้เฉพาะอุปาทะขณะเพราะในขณะอุปาทัทธะเนี่ยพร้อมกันเนี่ยจึงทําจิตตชรูปได้อันนั้นอุปาทัทธะทําจิตตชรูปได้ ถามว่าทําไมอุปาถ้าขณะจึงทําจิตตะชูบทได้เพราะจิตดวงก่อนที่ดับไปแล้วเนี่ยเป็นอนันตรชาติให้เคือเรียกว่าถูกผลักถูกจิตดวงก่อนเนี่ยผลักให้มันเกิดขึ้นด้วยกําลังของจิตดวงก่อนอด้วยอํานาจอ น, านอนันตรชาติเพราะอนันตระเนี่ยนะตัวเองที่ดับไปนะนะั้นอ่ะมีกําลังมากที่เป็นปัจจัยให้จิตดวงหลังเกิดขึ้นมันไม่เห็นกันก็จริงอันนี้นี่อุปมาโดยรูปธรรม แต่ว่าจิตมันไม่มีการเห็นกันแต่จิตที่ดับไปก่อนนั้นเนี่ยนะมันการอะไรมันเป็นทั้งอนันตระสมานันตะอนันตรูปนิสยาณทิวิคตะบางทีได้อาเสวณะปัจจัยด้วยมันจึงสามารถทําให้อุปาทขณะของจิตดวงหลังเนี่ยมีกําลังสามารถเป็นปัจจัยทําให้จิตตชรูปเกิดได้อันนี้คือเหตุผลของท่านเป็นอย่างนั้นอันนั้นดีกาท่านบอกว่าด้วยอำนาจอนันตระปัจจัยเป็นต้น ทำให้อุปาทักณะมีกำลังวิชาพวกนี้ท่านบอกว่าให้คิดเราคิดตามท่านอย่างเดียวคิดตามยากไหมไม่ชินคิดตามคือยากเรอไ้เอาก็คิดตามท่านไม่เห็นจะยากอะไรเลยเพท่านเขียนไว้ชัดเจนเลยคือที่คิดตามท่านยากเนี่ยนะไม่ต้องห่วงว่าทำไมจึงยากเพราะว่ายาตะปริญญาเราไม่ดี น, นะเราคิดเรื่องเช่นนะเมื่อก่อนนี่เขามาจะสงสัยมากว่าทาไมทาไมทาไมคำถามเราเองนะสมัยก่อน ทำไมอุ้ยกำหนดนามรูปเนี่ยนะต้องกำหนดผมผมแล้วต้องไปกำหนดทั้งรูป4ี่สิบสี่รูปแล้วสี่ิบสี่รูปมาแบ่งเป็นกลุม่มกลุมทำไมมันอะไรละเอียดยิบขนาดนั้นก็ไม่รู้พูดให้มันยากไปได้ของง่ายๆก็เย็นร้อนอ่อนแข็งก็พอแล้วอย่างงี้สมัยนั้นเราเรียนมาอย่างนั้นเสร็จแล้วเราก็้ามาก็มาเรียนพอมาเรียนวิปัสสนาญาณชั้นสูงเข้าให้กำหนดเย็นร้อนอ่อนแข็งมันอธิบายไม่ได้พออธิบายไม่ได้เข้าเราก็ต้องกลับไปเอาตามท่านอีก พอ ก, กลับตามท่านแล้วมันอธิบายได้ในตอนหลังก็เลยเชื่อคำพีเนี่นะว่าคัมภีร์ท่านอธิบายกันเองได้โดยที่ไม่ทะเลาะกันเองเนี่ยนะคำพีจะไม่ตีกันเองเพราะท่านอธิบายไว้เรียบเรียงไว้เป็นอย่างดีท่านเข้าใจอย่างละเอียดละ อ, อ่ทีท่วนเราทําหน้าที่คิดตามท่านปรับสมบูรณ์ด้วยเหตุผลแค่นั้นเองนะเพราะวิชาพวกนี้ขอรู้ตามขอเข้าใจตามเท่านั้นนะนะส่วนหัวข้อที่สองหัวข้อที่สองมีจิตเป็นสมุทฐานอะไรบ้างที่เกิดจากจิต มีจิตเป็นสมุทฐานจิตทำให้เกิดได้แก่นามขันธ์สามเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์เนี่ยนะเกิดจากจิตเป็นสมุทฐานแล้วก็รูป17เจอย่างที่เกิดจากจิตคืออะไรสัทธนวกะหมายถึงว่าเสียงมีรูปมีเสียงเป็นที่เก้าสัทธนวกะหรือว่าหรือว่ากลุ่มรูปเก้าอย่างมีเสียงเป็นประธานก็คื อ, อวินิโพครูแปดบวกเสียงนะก็เป็นเกก็กายวิ ญ, ญัต คือสัตว์ธานวาการูปก็เป็น9้าแล้วใช่ไหมกายวิญญตัตเป็น1 0 11วจีวิญญตัต1ิบออากาศาธาตุส3าละหูธาตุเอขอขอไปสิบาละหุตา14มุทุตา1ิบ้ากรรมัญญาตา16อุปัจจะยะส7สัน ต, ติรูป1ิรูปนี้มีเออขอรูป17รูปเนี่ยนะมีจิตเป็นสมุทฐาน สิ่งที่มีจิตเป็นสมุทฐานเนี่ยนะมีทั้งนามขันสามและรูปส7บเจ็ดรูปเนี่ยนะมีจิตเป็นสมุทฐานส่วนหัวข้อที่สมหัวข้อที่สมชื่อว่าเออชื่อว่ารูปที่มีจิตเป็นปัจจัยรูปที่มีจิตเป็นปัจจัยคืออะไรคือรูปทั้งสี่สมุทฐานเนี่ยนะรูปอันมีสี่สมุทฐานที่ท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่าจิตและเจตสิกธรรมทั้งหลายที่เกิดในภายหลัง ย่อมเป็นปัจจัยโดยเป็นปัจฉาชาต่ปัจจัยแก่กายนี้ซึ่งเกิดก่อนคือรูปของรูปร่างกายของเราเนี่ยนะร่างกายของเราที่เป็นไปเนี่ยเป็นไปทั้งกรรมชรูปก็เป็นไปจิ ต, ตชรูปก็เป็นไปอุ ต, อตูชรูปก็เป็นไปอาหารชรูปก็ไหลสืบเนื่องเป็นไปทีนี้จิตนี่มันเกิดทีหลังใช่ไหมเพราะรูปเกิดก่อนก่อนก่อก่อนเนี่ยจิตที่เกิดทีหลังเนี่ยเป็นปัจจัยโดย ปัจฉาชาต่ปัจจัยโดยอุปธรรมภักดสติคือสามารถทําให้ทรงอยู่ได้เท่านั้นเองอนะช่วยทรงได้นะคล้ายๆว่ารับช่วงช่วยทรงเพราะนั้นจิตที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเป็นปัจจัยทั้งสหาชาต่ปัจัยแก่จิตเจตสิกที่เกิดร่วมกันวิธีคิดอย่างนี้ว่าเวลาความคิดหนึ่งความคิดเกิดขึ้นเนี่ยนะจิตหนึ่งจิตเกิดขึ้นเนี่ยเขาเกิดขึ้นเนี่ย ประการแรกก่อนเขาทําให้เจตสิกเกิดร่วมกับตนได้ประการที่หนึ่งนะประการที่สองในถีติขณะเออเข้าไปในอุปาทขณะของเขาเนี่ยทาจิตตชโรปให้เกิดได้เขาทําจิตตชโรปให้เกิดขึ้นได้ประการที่สามเขาเนี่ย เ, เขาเนี่ต้องอาศัยอะไรเกิดนะหัตยาวัตถุใช่ไหมโดยมากนะอาศัยหัตยะวัตถุจิตที่เกิดหลังเนี่ย สามารถรักษารู ป, ปกายนะเป็นปัจจัยรักษารู ป, ปกายทั้งสี่สมุดฐานที่เกิดขึ้นแล้วโดยปัจฉาชาต่ปัจจัยเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดหลังๆนะจะทำให้รักษาสุขภาพได้ด้วยเหมือนกันั้นถ้าจิตดีนะก็มาอุปธถรมรูปที่เกิดก่อนๆให้ให้ดีแล้วก็สร้างจิตตชรูปที่ดีให้เกิดขึ้นันถ้ารักษาจิตได้ดีรักษาโรคได้ตั้งหลายอย่าง กูสุรจิตเนี่ยจึงมีคุณมากมีอุปการะมากนะก็บอกว่าไปทําใจให้สบายเหมือนกันแต่ทีนี้เราต้องพูดใหม่หมต้องไปทําใจให้เป็นบุญใช่ไหมถ้าทําใจเป็นบุญนะรูปที่เกิดจากกรรมก็จะเป็นรูปที่ที่ได้รับจิตที่ดีไปอุปถัมม์อยู่แล้วก็รูปใหม่ๆที่สร้างขึ้นเนี่ยนะสร้างขึ้นภาษาทางโลกอาจจะเรียกสร้างฮอร์โมนสร้างอะไรก็ช่างเถอะแต่สรุปว่ามันสร้างสร้างรูปใหม่ๆเกิดขึ้นก็นแล้วกันเนี่ยนะจิตนะ ถ้าอกุถ้าโทสะมันสร้างอะไรออกมาหลังสารอะไรออกมาหลังสารเครียดออกมาถ้าหากว่าจิตที่เป็นบุญหลังสารที่สบายออกมาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่ได้กุศลจิตมากๆเนี่ยนะหลังสารอย่างดีออกมาก็ปีติก็แผ่ทราบซ่านไม่ยากนั ก, กนะก็ด้วยอานาจการหลังสารต่างๆออกมาที่มีจิตเป็นปัจจัยนั่นเองทั้งไหนแล้วกันนี้ข้อสี่เนาะชื่อว่ารูป ที่มีอาหารอันมีจิตเป็นปัจจัยเป็นสมุทฐานความว่าโอชาซึ่งถึงความตั้งอยู่ในรูปที่มีจิตเป็นสมุทฐานทั้งหลายย่อมทำกลุ่มรูปมีโอชาเป็นที่แปดกลุ่มอื่นให้ตั้งขึ้นย่อมสืบต่อความเป็นไปสองถึงสามวาระโดยนยัดดังกล่าวมานี้ส่วนข้อที่ห้าชื่อว่ารูปที่มีอุตตุอันมีจิตเป็นปัจจัยเป็นสมุทฐานความว่ารูปที่มีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งรูป อุตุที่มีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งถึงความตั้งอยู่ย่อมทำกลุ่มรูปอันมีโอชาเป็นที่8กลุ่มอื่นให้ตั้งขึ้นย่อมสืบต่อความเป็นไปสองสามวาระโดยนัยะดังกล่าวมานี้พระโยคาวจรพึงเล็งเห็นความบังเกิดแห่งจิตต่ชรดังกล่าวจิตตชโรตามประการดังกล่าวมานี้ข้อนี้ก็เนื้อหาก็คล้ายๆนะคล้ายๆกับอสองข้อสุดท้ายเมื่อกี้เนี่ย คือจิตตชรูปที่เกิดขึ้นเนี่ยนะสมมติว่าจิตตะชรูปเวลาจิตเกิดขึ้นก็สร้างจิตตชรูปนะจิตตชรูปมีกี่รูปโดยปกติในร่างกายทั่วๆไปก็มีรูปอยู่จิตตชรูปที่เกิดขึ้นนะเอาเฉพาะนิพพานนรูปก็แปดรูปก็คือแปดรูปใช่ไหมอย่างในผมผมเนี่ยมีจิตตชรูปแปดรูปนี่แปดหรือยังทำไมเขียนแค่เจ็ดขาดไปอีกรูปหนึ่งนะ ทีนี้ในรูปแปดรูปเนี่ยมีอาหารอยู่ในนี้ใช่ไหมมีโอชาอยู่ในนี้โอชาเนี่ยพอมาถึงอายุเข้ามาถึงทีติขณะนะโอชาตัวนี้จะสร้างอาวินิโพครูปอีกแปดรูปเนี่ยนะให้มีอายุเป็นไปเนี่ยนะก็ไปสร้างโอชากลมใหม่ขึ้นโอชากลมใหม่เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะพอมีอายุถึงถีติขณะโอชาตัวนี้ก็มาสร้างอย่างนี้ต่อไปอีกแผ่เครือข่ายสองสามขณะด้วยกัน นะแผ่อาหารช่ารูปออกมาอย่างนี้ทีนี้ในนี้มีเตโชาธาต์เกิดร่วมด้วยใช่ไหมเตโชาธาต์พอถึงถีติขณะก็สร้างรูปขึ้นมาอีกชุดหนึ่งพอชุดนี้ไปถึงถีติขณะก็สร้างรูปมาอีกชุดหนึ่งยก็สืบต่อกันสองสามขณะสืบทอดโอชาเป็นข้อที่สี่ใช่ไหมเตโชาธาต์ก็เป็นข้อที่ห้ามีห้าข้ออย่างนี้ขอมาพอจะเข้าใจหรอก